เ, เดียวดายเคยอ้างวานเดินลําพังจนท้อใจผ่านมาได้ก็เพียงเพราะเธอมีเธออยู่ในออมแขนกอดหัวใจไม่ว่าร้ายดีเธอเคียงข้างฉันเสมอมเธอมาปิดคำว่าเงาเธอมาเปิดคำว่าเราชีวิตฉันเหมือนได้เรือใหม่ เี่ยนในท้องฟ้าจีมืดมนค่อยคอยสดใสเกินกว่าคำว่าโชคดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถูกรักและได้รักเธอได้รู้รสึกว่าหัวใจที่เขาให้กันมันเป็นอย่างนี้เองแล้วชีวิตก็เปลี่ยน เพียงเพื่อตัวเองตั้งแต่วินาทีนั้นมาทุกทๆอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อเธอน้อฮ่าฮ่าฮ่และชีวิตที่เปลี่ยนไปมันยิ่งทำให้ฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีนี้ไปฉันขอมีลมหายใจเพื่อเธอเทอา ต่อสำหรับฉันรักแท้แล้วเธอในแววตาเธอที่เห็นในอาการเธอที่เป็นในทุกๆเรื่องราวที่ทำไม่ต้องกูคำว่ารักเลยสักคำฉันก็ได้ยินอ โชคดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถูกรักและได้รักเธอได้รู้สึกว่าหัวใจที่เขาให้กันมันเป็นอย่างนี้ เพื่อเธอถท่านั้นและชีวิตที่เปลี่ยนไปมันยังทำให้ฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีนี้ไปฉันขอมีลมหายใจเพื่อเธอเท่านั้นรักแท้แปลว่าเธอ